หลายปีมานี้นะคนที่สนใจปฏิบัติธรรมมาเจริญสมาธิภาวนามีจำนวนมากขึ้นที่วัดนี้ก็เห็นได้ชัดนะแต่ก่อนก็มีคนไม่เยอะแค่สาราหาะสาราหาะสารกไก นะก็เพียงพอที่จะรับคนที่มานะปฏิบัติธรรมแต่ก่อนเราไม่ได้ทำวัดกันที่นี่เราทำวัดตรงสาระไกนะ่ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าแต่ก่อนมีไก่เยอะตอนหลังก็คนมากขึ้นก็ขยายสาระไก่ให้กว้างขึ้นหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่พอนะต้องมาใช้หอไตร ออตอยแต่ก่อนก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้นแต่ตลังคนก็มาปฏิบัติธรรมกันเยอะขึ้นก็ต้องขยายออกไปแล้วก็บางครั้งบางคราวก็ไม่พอคนก็มาเยอะโดยพอะช่วงอาทิตย์หน้าก็จะมีกันมากันสองร้อยกว่าคน ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะที่อื่นก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะที่วัดนะตามบ้านของญาติโยมจำนวนมากก็เปิดเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อสนองความต้องการของผู้คนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรือครูบาจาจาร์ก็ เริ่มจะขาดแคลนที่จริงก็ขาดแคลนมานานแล้วแต่ก็ดีที่มีไม่ใช่มีแต่พระอย่างเดียวก็มีคารวตญาติโยมมาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยส่วนก็มาจากผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็มีศรัทธามีวิริยะ<ม>ก็ทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ที่จริงกับว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความเฉพาะการทำสมาธิหรือว่าการเจริญสติเท่านั้นเพราะว่าธรรมะมันมีความหมายที่กว้างถ้าพูดไปก็แยกออกมาได้เป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาถ้าการฝึก หรือการปฏิบัติที่เน้นทางกายวาจาเราเรียกว่าศีลการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนใครก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างที่พูดเมื่อวานนี้แม้แต่การค้าขายการประกอบอาชีพ การทำไรทำนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าหากวันนึกถึงผู้อื่นมีน้ำใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ก็คือมีเมตตาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ เ, เดี๋ยวนี้เราก็จำกัดความหมายให้หมายถึงเฉพาะเรื่องการทำสมาธิภาวนาการเจริญสติหรือที่เรียกวกรรมฐาน ก็คือในเรื่องการฝึกทางด้านจิตใจฝึกทางด้านจิตใจก็แบ่งออกเป็นสองก็คือสมาธิและปัญญาสีสมาธิปัญญาเรียกว่าายศิกขาสี่นี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องการฝึกทางกายวาจาส่วนการฝึกทางใจเราเรียกว่าสมาธิถ้าเป็นถ้าในเรื่องความสงบหรือสมทัท แต่ท่านนั้นให้เกิดปัญญาคือความเข้าใจในตนเองเราก็เรียกว่าปัญญาเลขเต็มยศก็เรียกว่าอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องจา่ในการเจริญสติอันนี้ก็ในขั้นแรกก็มุ่งให้เกิดความสงบในจิตใจ รู้ทันอารมณ์ความนึกคิดแล้วก็ละได้รู้ทันความโกรธรู้ว่าเผลอโกรธรู้ว่าเผลอเครียนเผลอมุดงิดรู้แล้วก็วางพอรู้แล้ววางใจก็สงบอันนี้ก็จัดว่าเป็นสมถะนะแต่ต่อมาแล้วรู้แล้วรู้อาการที่เกิดขึ้นกับใจรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็น ว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเริ่มเห็นว่าโอที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะมันเกิดขึ้นที่ใจความทุกข์ความเครียดที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราเครียดเราทุกข์นะมันเป็นรูปหรือนามที่ทุกข์อันนี้ก็ เป็นต้นทางไปสู่วิปัสนาเกิดปัญญาขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาฉั้นถ้ารู้แล้วรู้รู้แล้วก็ละเกิดความสงบนี้สมัตะรู้แล้วเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็เรียกวิวปัสนามันก็ไปด้วยกันนะนะแต่ให้เราเข้าใจว่า ความสงบยังไม่ใช่เป็นจุดมาของการปฏิบัติธรรมต้องเกิดปัญญาอันนี้พวกเราหลายคนมาถึงนี่แล้วก็อาจจะสงสัยหรือถึงไม่สงสัยก็อาจจะเจอคำถามจากคนใกล้ชิดว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมด้วย ถึงแม้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นดีแต่ทำไมต้องปฏิบัติเอาไว้รอให้แก่ก่อนไม่ได้หรือนะเอาไว้รอให้กเกษียณแล้วค่อยมาปฏิบัติก็ได้ไม่ใช่หรือก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราแน่ใจได้อไรว่าจะ มีโอกาสมีโอกาสหรือว่าได้อยู่จนแก่นะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้อยู่จนแก่แน่ใจว่าได้อย่างไรว่าจะได้อยู่จนเกะียนเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนก็ ร, รู้รู้อยู่เห็นเห็นอยู่เนะี่ยพวกเราที่ทำงานในโรงพยาบาลก็รู้อยู่ว่าคนที่ตายก่อนก่อนจะได้ทันเกษียณตายก่อนที่จะได้แก่ก็มีมากมาย แล้วก็ถึงแม้จะได้อยู่จนแก่ได้อยู่จนเกษียณแ น, น่ใจได้อย่างไรว่าจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเพราะพอพ อ, พอแก่ก็ต้องดูแลหลานหรือแก่แล้วก็อาจจะต้องอร่างกายไม่ไม่อำนวยนะ ไม่สามารถจะมาลำบากในวัดหรือว่าไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเพราะว่าสุขภาพย่ำแย่ก็ได้หรือว่าถึงตอนนั้นก็ จ, จะยังติดพันกับงานการนะมีงานการเข้ามามีธุรกิจมีอะไรต่างๆเข้ามาก็เปลีกตัวมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ ที่จริงปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ทําได้แต่ว่าถ้าจะฝึกให้เชี่ยวชาญก็ต้องปลีกมาก่อนนะจะปลีกมาที่วัดหรือจะไปอยู่ที่ที่วิเวกสงบปฏิบัติธรรมก็ได้ครนนี้บางคนก็จะถามอยว่าโอ้ฉันก็สบายดีอยู่แล้วนะทำไมต้องปฏิบัติธรรม ฉันยังไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยเพราะเราไปเข้าใจปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อให้เกิดความสุขคอา น, นี้ก็ฉันสุขสบายดีอยู่แล้วทำไมต้องปฏิบัติด้วยก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วเราแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะมีความสุขเหมือนเหมือนวันนี้วันนี้สุขสบายดีแล้วก็ดีอยู่แต่พรุ่งนี้แน่ใจได้อย่างไรว่าจะสุขสบาย จริงคนที่บอกว่าวันนี้ฉันสบายดีอยู่แล้วเนี่ยดูเข้าจริงๆก็อาจจะยังไม่สุขสบายก็ได้ก็ยังเครียดยังโมโหยังทะเลาะกับผู้คนอยู่ยังมีความกังวลอยู่นะคนที่บอกว่าฉันมีความสุขนี่จริงๆอย่างมากก็แค่สบายคือมีชีวิตที่สบายแต่ว่ายังไม่สุขเท่าไหร่ยังมีความขุนเคืองใจยังมีความโกรธยังมีความหงุดหงิด นะกลุ่มอกกลุ่มใจาแต่สมมุติว่าสุขแล้วสบายแล้วก็ไม่ได้แปลว่าวันพรุ่งนี้จะสุขสบายเหมือนวันนี้เราแน่ใจหรือเปล่านะชีวิตนี้มันไม่แน่นอนเราอาจจะเจ็บเราจะป่วยในวันรุ่งขึ้นก็ได้เราจะมีอันเป็นไป ในวันหน้าก็ได้แม้แต่ความตายซึ่งดูเหมือนอยู่ไกลตัวมันอาจจะใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้ภาสิทธิเบกเขาพูดว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนเราแน่ใจได้แล้วว่าจะมีพรุ่งนี้สำหรับเรา พ้นจากวันนี้ไปก็ชาหน้าเลยก็ได้เหมือนกับหลายหลายคนหลายแสนหลายล้านคนในปัจจุในวันนี้เขาจะไม่มีพรุ่งนี้แล้วสาหรับเขาเขอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าตายแบบปัจจุบันทันด่วนในวันนี้ถ้ามันไม่มีอะไรแน่นอน วันนี้มีความสุขสบายดีพรุ่งนี้ป่วยขึ้นมาหรือไปหาหมอเราะว่าหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหลายคนพอพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะตกใจนะทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะอันนี้ก็พราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน เลยคิดว่าวันนี้ฉันสบายแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะสบายอีกแล้วคิดว่าฉันก็จะสบายไปจนจนถึงวันสุดท้ายที่หมดลมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนี้สบายก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะมีความสบายด้วยวันนี้สุขภาพดีก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะสุขภาพดีบางทีอาจจะเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วน เอา ม, มาพึกเํา ม, มาพาดพลิกคนพิกการขึ้นมาคําถามคือว่าเมื่อถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ผันแปรอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะทําอย่างไรในเมื่อเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอเราคิดว่าวันนี้ฉันสบายแล้วสบายแล้วก็ไม่แปลว่าพรุ่งนี้จะสบาย หรือพรุ่งนี้จะหรือถึงแม้พรุ่งนี้จะยังสบายอยู่ก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ว่าคนที่เรารักเขาเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมาเขาป่วยเขาพัดพลากจากเราไปวันนี้เขาอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เขาจะยังอยู่กับเราเขาก็า จ, จะไป อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าทรัพย์สินเงินทองนะวันนี้ฉันก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองอยู่แต่พรุ่งนี้ก็อาจจะสูญเสียถูกโกงธุรกิจล้มละลายถูกยึดบ้านสารพัดต่างๆสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันนี้ได้ซ้าทั้งๆที่ตอนนี้ยังสบายดีอยู่ก็ ก็ไม่ได้แปลว่าชั่วโมงถัดไปเราจะยังสบายดีอยู่สหรับคนที่มั่นใจว่าวันนี้สุขสบายดีแล้วและพรุ่งนี้มือืนนี้ปีต่อไปก็จะยังสุขสบายดีอยู่ก็ก็ไม่จาเป็นต้องมางปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้จะดีเหมือนวันนี้เดือนหน้าจะมีความสุขเหมือนเดือนนี้ ก็ต้องคิดแล้วล่ะ ว, ว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเรามีภ<พ> า, <พ>าสิทธิ์ที่เราคุ้นเคยดีอยู่น ะ, นะบอกว่ายามสงบนะ<ง>บเราฝึกยามศึกเราล บ, ลบอันนี้เป็นคติสำหรับทหารนะเวลาบ้านเมืองปกติตก็จะไปคิดว่ามันจะปกติตไปเรื่อยๆ มันอาจจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นมีภัยคุกคามในวันข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทในขณะที่เรายัางสงบก็ต้องถือโอกาสฝึกฝนให้พร้อมเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาก็จะได้พร้อมที่จะสู้รบ ก, กับข้าศึกศัตรูะหานี่เขาฝึกตลอดเวลา ทุกวันนี้ก็ฝึกนะเครื่องบินก็บินตลอดเวลาเพื่อฝึกฝนในการรับมือกับข่าศึกอันนั้นเป็นเรื่องของทหารแต่เราเองก็เหมือนกันนะชีวิตมันไม่แน่นอนมันจะมีความพัดพลาดสูญเสียเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาหรือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ ตลอดเวลาเหมือนกันวันนี้ไม่เกิดก็ไม่แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่เกิดนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะก็จะตระหนั ก, นกว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนสามารถจะเกิดภัยอนาคตได้เรียกว่าอนาคตตะภัย เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังสุขสบายดีอยู่ในขณะที่ยังหนุม่มยังสาวอยู่ในขณะที่ยังมีกินมีใช้อยู่ก็เตรียมตัว <c oughs> เตรียมตัวปฏิบัติธรรมเตรียมตัวทำได้หลายอย่างนะเตรียมเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพื่อเอาไว้เป็นกองทุนสําหรับยามเจ็บยามป่วยยามทุกข <c oughs> เหมือนกับที่ตอนนี้เขามีข่าวว่าจะมีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ประสบภัยหรือประสบความเดือดร้อนจากการรักษาพยาบาลเป็นข่าวกันอยู่ตอนนีนะ้อันนั้นก็เป็นการเตรียมตัวแต่ว่าต้องเตรียมใจด้วยนะจะเตรียมใจอย่างอไรก็เตรียมใจด้วยการมาปฏิบัติธรรมให้มีสติให้มีปัญญาหลายคนมาเข้าวัดเมื่อ เมื่อเกิดความทุกข์แล้วเช่นเพราะว่าเป็นมะเร็งถึงเข้าวัดหรือว่าธุรกิจล้มละลายถึงเข้าวัดแท้จริงก็ไม่ได้อยากเข้าหรอกแต่ว่าถูกกดดันถูกบังคับหรือว่าไม่มีทางไปแล้วก็ดีดอยู่นะดีกว่าเอาดีกว่ามัวเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันทําอะไร คนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็หันหน้าเข้าหาวัดอันนี้ถือว่าดีมาเองดีกว่าให้เขาแบกมา้คนจนวไม่น้อยเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจมาเองจะมาก็ต่เมื่อถูกเขาแบกหามมาในสภาพที่หมดลมแล้วถ้าคนฉลาดนี่เขาจะมาวัดก่อนที่จะให้คนอื่นเขาแบกหามมา แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะมาในยามที่ยังสุขภาพดีอยู่เพราะจะได้พร้อมถ้ามาในยามที่เจ็บป่วยก็ยังดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ทันการแต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ไม่ขยับเลยหรือว่ามา น, นึกถึงวัดวากตอนที่นอนพอ ง, งาพ้งงางพอง้างอยู่บนเตียงแล้วคอยนึกถึงเรื่องการ ปฏิบัตินึกถึงเรื่องการทำบุญแล้วก็มีนะคนที่ทำความชั่วร้าม่เยอะพอถึงพอกระตายก็นึกถึงเรื่องการทำบุญก็ยังดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยพระพุทธเจ้าเปรียบมนุษย์เนี่ยเป็นสี่ประเภทนะเหมือนกับมา้าสี่ชนิด ม้าชนิดแรกเนี่ยเวลาขี่เวล า, าเวลาคนขี่ม้าเนี่ยเขาชูปะตักขึ้นมาแค่เห็นเงาปะตักนะพวกเราคงรู้จักปะตักปะตักนี่มันเอาไว้ทิมเอาไว้แทงสำหรับบังคับควบคุมสัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างหรือแม้แต่ม้าด้วยเวลาขี่มา้าหรือว่าเวลาเทียมม้าเนี่ย จะให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพียงแค่เจ้าของเนี่ยยกประตักขึ้นมามันเห็นเงาประตักบนพื้นมันก็รู้แล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเพณีที่สองเนี่ยต้องโดนประตักทิมก่อนถึงจะรู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเพณีที่สาต้องโดนประตักทิมถึงเนื้อ เจ็บปวดถึงรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรประเภทที่สยังโดนประตักทิ่มจนถึงกระดูกนะคือทิ่มถ้าทิ่มแค่ผิวทิ่มแค่หนังนี่ยังไม่ยังไม่รู้สึกต้องโดนทิ่มโดนแทงไปถึงกระดูกถึงรู้สึกแล้วก็รู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าคนก็เหมือนกันนะมีคนประเภทแรกเนี่ย เพียงแค่ตระหนักว่าชีวิตนี้จะต้องตายหรือเพียงแค่ได้ข่าวว่ามีคนตายก็เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเข้าหาวัดปฏิบัติธรรมประเภทที่สองต้องเห็นต้องเห็นคนตายก่อ น, นถึงค่อยปฏิบัติธรรมประเภทที่สามนี่ รู้ว่าคนที่ตัวเองรักตัวเองที่ผูกพันคนใกล้เขาตายเกิด ค, ความสะเทือนใจเศร้าโศกถึงค่อยตื่นตัวปฏิบัติธรรมประเภทที่สีนี้ต้องเจอเองหรือว่าเจอความตายเข้ามาใกล้ตัวเช่นเป็นมะเร็งหรือว่าประสบปุติเหตุอยู่ในโรงพยาบาล ด้วยความตายใกล้เข้ามาถึงค่อยสนใจปฏิบัติธรรมให้เราลองดูว่าเราเป็นคนประเภทไหนหรือเราอยากเป็นคนประเภทไหนอยาเป็นประเภทสุดท้ายคือเห็นตอนเมื่อเห็นโลงถึงหลังน้ำตาหรือว่าเพียงแค่รู้ว่าเพียงแค่ได้ยินว่าเออมันมีคนตายเกิดขึ้นนะ เพียงแค่ได้ยินว่าหรือรู้ว่ามันมีคนที่ประสบความสูญเสียเกิดขึ้นก็สูญเสียพ่อแม่ก็สูญเสียคนรักเขาร้องห่มร้องไห้เป็นที่น่าสังเวชพอเรารู้เท่านี้เราก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็ตระหนักว่าสักวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะทำใจได้ไหมเราจะไม่ร้องห่มร้องไห้ ไม่ซึมเศร้าเหมือนกับคนที่เราเห็นหรือถ้าคนฉลาดนี่พอเขาได้คิดอย่างนี้เขาก็เกิดความกระตือรือร้นเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากเลยที่จะต้องปฏิบัติธรรมจำมัวแต่ทำมาหากินสนุกสนานนี่ไม่ได้ต้องเร่งแลวต้องขนไถลแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นคนฉลาดคือไม่ต้องรอให้ความทุกข์มาถึงตัวเสียก่อน นะถ้าเป็นประเภทที่สองที่สามที่สี่เนี่ยเป็นประเภทที่ความทุกข์เขียบเกือบจะมาถึงตัวคือเห็นคนตายหรือว่ารู้ว่าคนที่รักตายหรือว่าตัวเองกำลังจะตายเนี่ยอย่ารอยอย่างนั้นอย่ารอให้ความทุกข์มันเข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆขณะที่มันอยู่ไกลก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราก็เลยเตรียมตัว แต่ว่าถึงแม้จะยังไม่เกิดขึ้นกับเราเกิด ข, ขึ้นกับคนใกล้แล้วเราตระหนักตื่นตัวก็ดีนะในสมัยพุทธกาล ม, มีมีเด็กคนหนึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเป็นน้องชายคนสุดท้องเลยชื่อเลยวัตตะครอบครัวของพระสารีบุตรพ่อแม่เนี่ย มีความทุกข์มากที่ลูกชายไปบวชเรื่องตั้งแต่ภาษาลีบุตรนะพ่อแม่นี้ไม่ได้เป็นผู้ที่สมาธานในพุทธศาสนาเมื่อเห็นลูกชายไปบวชก็กลัวว่าคนสุดท้องจะหนีไปบวช ด, ด้วยวคือเลวัตะก็เลยจับแต่งงานตั้งแต่เล็กแค่เจ็ดขวมนี่ก็จับแต่งงานแล้ว น้องเรวาตา ก, ก็ไม่ว่าอะไรนะยังไม่จะเรียกว่ายัางยังไม่ประสีภาษาก็ได้แต่ว่าวันแต่งงานเนี่ยพิธีแต่งงานก็มีคนมาอวยพรก็มีผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุต้องร้อยี่สิบนะมารดน้ำอวยพรอวยพรคู่บ่าวสาวว่าเขาขอให้มีอายุยืนเหมือนยายนะ เรตวตตได้ยินก็ฐานไปพิจารณาอุเท่าคนนี้เห็นหลังโกงท่าทาง ง, ง่วงเงินเิลีตกกระดิ่งเหย่ย่นฟันฟางก็ไม่ค่อยเหลือแล้วไม่ได้เห็นแค่นี้ <c oughs> เห็นต่อไปว่าโอ้ถ้ามีอายุเหมือนยาย <c oughs> ถ้าแฟลอมมีอายุเหมือนยายก็คงไม่น่าดูไม่สวยงาม คิดแบบนี้เข้าเนี่ยไอความอยากจะแต่งงานเนี่ยมันหายไปเลยก็คิดตั้งใจว่าเอ้เราจะหนีการแต่งงานได้อย่างไรนะระหว่างที่ขบวนขบวนพาฤวดตะไปบ้านของเจ้าสาวแล้วก็หลอกว่าไปจะลงไปลงไปถทย ลงไปเปื้อนทุกข์เสร็จแล้วก็หนีไปเลยหนีไปก็นี้ไปบวชคนพอพ ร, พระนี่พอรู้ว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรก็ยินดีให้บวชและท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอยู่ในป่านานถึงสามเดือนจนกระทั่งบรรลุธรรมก็ไม่ทราบว่าช่วงที่บรรลุธรรมนั้นอายุเท่าไหร่ แต่เข้าใจครูจะยั ง, ยงไม่ยังเป็นเนนอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีปัญญาคือได้สติได้คิดว่าคนเราในที่สุดก็ต้องแก่นี่ยังไม่ต้องถึงตายนะเพียงแค่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องแก่ร่างกายกำลังวังชาก็จะเสื่อมโทรม พอยายหรือว่าพุทธามาบอกมาอวยพรแบบนี้นี่ก็ได้คิดทันทีแล้วว่าสักวันก็จะต้องแก่นะก็เกิดความตื่นตัวอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ไม่ต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้หรือว่าเพื่อที่จะได้รับมือกับสภาพเช่นนี้ได้อันนี้ก็เป็น ว, วิสัยของผู้ที่มีปัญญา คือว่าเตรียมตัวก่อนที่ภัยมันจะเกิดเตรียมตัวก่อนที่สิ่งหรือสภาวะที่ไม่น่ายินดีนั้นมันจะเกิดกับเรานี่คือคําตอบว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมในเมื่อฉันก็มีความสุขสบายดีอยู่แล้วมีหลายคนที่ในช่วงที่ร่างกายมีสุขภาพดีนะการงานจเจริญรุ่เรงเรือง เขาก็เพลิดเพลินกับความสุขแต่แล้วพอเขาป่วยเขาก็ทุกข์ทรมานจนกระทั่งบางคนนี้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เคยเจอผู้ป่วยมะเร็งนะก็มีฐานะที่ดีงานการงานก็ดนะีคิดว่าคงจะมีครอบครัวที่ดีด้วยแต่พอเขาป่วยมะเร็งนี่เขา เขาก็คลำครวนเสียใจบอกว่าไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่แม้แต่วันเดียวเพราะมันปวดมันทรมานมาก้คนแบบนี้มีเยอะนะคือว่าตอนที่สุขสบายดีอยู่ก็ประมาทนะไม่คิดจะเตรียมตัวไม่คิดจะเตรียมตัวว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วย ก็เห็นอยู่ว่าคนหนึ่งเขาก็เจ็บเขาป่วยกันคนรอบตัวนะในสุดเขาก็เจ็บก็ป่วยเป็นมะเร็งกันเป็นโรคายสารพัดแต่ก็ไม่เคยเฉลียวใจนะไม่เคยนึกมาย้อนตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดเนี่ยเวลาเห็นคนป่วยก็จะไม่ได้นึกแต่เพียงว่าเออเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา หรื อ, อยังมากก็คิดว่าเออดีแล้วที่ฉันไม่ป่วยถ้าคนมีปัญญาเขาจะมองว่าต่อไปฉันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือต่อไปฉันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคนป่วยก็ดีคนประสบอุบัติเหตุก็ดีคนที่พัดภาคสูญเสียจากคนรักก็ดีเมื่อเห็นคนเหล่านั้นผู้ที่มีปัญญาก็จะน้อมเข้ามาใส่ตัวหรือเชื่อมโยงกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเรา ก, ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาจะไม่โม่แต่ท ร, รมาหากินจะไม่โม่แต่สนุกสนานเพลดิดเพลินเขาก็จะปลีกเวลามาเพื่อการฝึกฝนว่าจะรับมือกับมันอย่างไรเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งและคนเช่นนี้เมื่อเขากเกิดเมีอันเป็นไปขึ้นมาเขาก็จะไม่บน่นไม่ตีโพยตีพาย จะไม่บ่นว่าทาไมต้องเป็นชั้นทาไมจะต้องเป็นชั้นจะไม่มีการบ่นอย่างนี้เพราะเขาเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วกานที่จะบ่นว่าทาไมถึงต้องเป็นชั้นเขาก็อาจจะพูดว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ก็คนหนึ่งก็เป็นกันคนจำนวไม่น้อยเลยนะพอเกิดเหตุมีความมีปัญหาขึ้นมาในชีวิตก็จะพูดขึ้นมาทาไมต้องเป็นชั้น ลดหายแก้วแหวนเงินทองหายว่าทำไมต้องเป็นชั้นนะธุรกิจล้มละลายทำไมต้องเป็นชั้นหรือว่าลูกลูกที่รักตายจากไปสามีภรรยาที่รักตายจากไปก็จะบน่นก็จะคร่ำครวญว่าทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เพราะเขาประมาทเพราะเขาไม่เคยพิจรารณารือว่า คนที่ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้มันมีอยู่รอบตัวอาจจะไม่ใช่คนใกล้นะแต่ว่าก็อาจจะรับรู้ได้ทางข่าวสารหนังสือพิมพ์โทรทัศน์มันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ตระหนักก็คิดว่าก็ฉันสุขสบายดีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องทำอะไรอันนี้เราเป็นคนประมาท อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมในขณะที่ยังมีความสุขอยู่ส่วนคนที่มีความทุกข์ก็ยิ่งต้องใส่ใจการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราไว้เรานั่นแหละที่จะซ้ําเติมความทุกข์ให้กับตัวเองคนจํานวนมากนี่ไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นนะแต่ทุกข์เพราะตัวเอง ทุกข์เพราะความคิดจิตใจของตัวเองเนี่ยมันทำร้ายตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าโจรทำร้ายโจรเนี่ยก็ยังไม่หนักหนาเท่ากับคนที่ตั้งจิตเอาไว้ผิดคนที่ตั้งจิตเอาไว้ผิดนี่ทำร้ายตัวเองยิ่งกว่าโจรทำร้ายโจรด้วยกันคนอื่นเขาว่าเราก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าใจของเรานั่นแหละไปปรุงไปแต่งไปยึด ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเหมือนกับเขาเอาเอาแก้วมาวางไว้ในมือเราแทนที่เราจะปล่อยเราก็กลับบีบกับกรรําเศษแก้วในมือนั้นแล้วเราก็เจ็บแล้วเราก็ปวดเองแล้วเราก็ว่าเขาว่าทําไมเอาเศษแก้วมาวางไว้ในมือฉันหรือไม่ก็ไปโกรธแก้วว่าทําไมไปโทษแก้วมาทําให้ฉันเจ็บทําให้ฉัน มีแผลอันนี้ไม่ถูกต้องพราะเขาเอาแก้วมาวางไว้ในมือเราถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีอะไรหรือแม้แก้วอยู่ในมือเราถ้าเราไม่บีบไม่กำเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดใครสั่งให้เรากำใครสั่งให้เราบีบก็ไม่มีใครมีแต่เราเองนั่นแหละใจที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเหตุการณ์ผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังไม่ปล่อย แล้วก็เจ็บเองปวดเองทุกเองจะโทษใครไม่ได้นอกจากเราเพราะฉะนั้นคนที่ปวดคนที่ทุกข์ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามถ้าหากว่าหันมาฝึกจิตดูใจของตัวก็จะช่วยทำให้ความทุกข์มันบรรเทาเบาบางลงไปถ้าปว่วยด้วยโรค ก็แค่ป่วยกายนะแต่ไม่ป่วยใจถ้าทรัพย์สินเสียหายถูกโกงไปมันก็เสียแต่ทรัพย์สินเสียแต่เงินทองแต่ว่าใจไม่เสียสุขภาพจิตไม่เสียถนะึงแม้ว่าจะยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าใจไม่ทุกพนะัดภาคสูญเสียจากคนรักก็ก็เสียแต่สิ่งนอกตัวแต่ว่าใจนี้ ไม่เสียด้วยอันนี้ยิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมใหญ่ถ้าหาว่ามีความทุกข์อยู่กับตัวตอนนี้ไม่ว่าทุกเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องการงานหรือเรื่องคนรักคนรู้จักยิ่งต้องปฏิบัติธรรมแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่เจอเหตุร้ายแบบนี้ก็สมควรปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะเกิดกับเราก็ได้แลวทําไม่เตรียมตัว พอเกิดขึ้นแล้วเราจะมาบ่นว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้ทุกนะเป็นเป็นธรรมชาติของคนที่ประมาทนะเราอย่าเป็นอย่างคนอย่างนั้นเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยค่ะที่ยังมีสุขภาพดีมีกำลังวางชามีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองมีทุกอย่างพร้อมยิ่งดี ยิงถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกเพราะถ้าแก่ก็ปฏิบัติธรรมลำบากไม่สามารถทำได้ทนหรือถ้าป่วยก็ทำลำบากหรือว่าถ้าหาวธุรกิจมีปัญหากิจการวุ่นวายก็ยิ่งเปลีกตัวมาปฏิบัติลำบากทนั้นใครที่คิดว่าตอนนี้ตัวเองพร้อมแล้วนี่มีความสุขสบายดีแล้วยิ่งต้องปฏิบัติเข้าไปใหญ่แล้วก็คิดว่าคงจะ ทำความกระจ่างให้กับพวกเราได้ในเรื่องนี้ละวันนี้ญาติโยมก็จะลาศีนนะเอาเลย